ศาสนาพุทธสอนว่ากายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายกายกับจิตนี้เป็นฝาแฝดเป็นแฝดสยามเหมือนอินกับจันติดกันมาตั้งแต่เกิดสมัยก่อนแฝดสยามนี่เขาไม่มีวิธีพาตัดแยกออกจากกันต้องไปไหนไปด้วยกัน อินจัน์นี้ไปด้วยกันกายกับจิตก็เหมือนกับอินกับจันท์จิตนี้เป็นพี่กายนี่เป็นน้องเป็นแฝดมาเกาะติดกันตอนที่มีร่างกายก่อร่างขึ้นมาในท้องแม่จิตที่ไม่มีร่างกาย ก็มาเกาะติดกับร่างกายที่กำลังเจริญเติบโตอยู่ในท้องเป็นฝาแฝดกันมาตั้งแต่บัด น, นั้นแล้วจะแยกกันก็ตอนวันตายเวลาตายไปกายกับจิตก็แยกทางกันไปปัญหาคือจิตนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตา เหมือนกับร่างกายจิตเป็นผู้รู้ผู้คิดก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นจิตไปแล้วก็รักแล้วก็หวงร่างกายเพราะคิดว่าเป็นตัวของตนเองทุกไปกับร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็ทุกไปกับมัน ทั้งทงที่จิตไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายแก่จิตไม่ได้แก่ร่างกายเจ็บจิตไม่ได้เจ็บร่างกายตายจิตไม่ได้ตายแต่กลับไปทุกข์กับร่างกายทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ร่างกายกลับไม่ทุกข์ ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายร่างกายเฉยๆเพราะร่างกายไม่รู้เรื่องร่างกายเหมือนกับศาลาหลังนี้ศาลาหลังนี้เขาไม่รู้ว่าเขาม่หรือเก่าเวลาหลังคารู้ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าหลังคาเขารู้วคนที่รู้ก็คือคนที่ใช้หลังคานี่ เวลามานั่งฝนตกเห็นฝนหยดติ็งเต็งลงมาก็รู้ว่าอ๋อหลังคารั่วหรือเวลาอะไรมันแตกอะไรมันเสียคนที่ใช้หลังใช้สารานี้จะรู้แต่ตัวสาราเองเขาไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีเขาเสียหรือไม่เสียร่างกายก็เป็นเหมือนสาลาไม่มีความรับรู้อะไร ไม่ได้รู้ว่าตัวเองแก่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองเจ็บไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งนะไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นโรคความดันโรคเบาหวานโรคอะไรต่างๆร่างกายเขาไม่รู้หรอกเขาเป็นอะไรเขาไม่เดือดร้อนเขาเป็นเขาก็ไม่เดือดร้อนเขาตายเขาก็ไม่เดือดร้อนผู้ที่ ไม่ได้เป็นกลับไปเดือดร้อนแทนของคือจิตหรือใจเนี่ยเพราะว่าจิตไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายถ้าเราสามารถมาแยกจิตออกจากกายได้มองเห็นจิตกับร่างกายเป็นคนละคนกันได้จิตก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายได้ร่างกายเจ็บก็รู้ว่าเจ็บไป ร่างกายแก่ก็รู้ว่าแก่ไปร่างกายจะตายก็รู้ว่าจะตายไปก็เท่านั้นเองเดี๋ยวถึงเวลามันก็ต้องแยกออกจากกัน น, นี่คือความจริงที่จิตไม่รู้จิตไม่มีใครสอนอ น, นานๆจะมีคนฉลาดคือพระพุทธเจ้ามารู้เรื่องของจิตกับเรื่องของกาย ว่าเป็นคนละคนกันเป็นฝาแฝดเป็นแฝดสยามมาติดกันตอนที่มีการสร้างร่างกายขึ้นมาในท้องแม่เวลาเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มาพบกันก็เกิดการปฏิสนธิขึ้นมาเกิดการเกิดก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมา ยานสมัยนี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็รู้เห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาสามารถผสมเทียมได้ท้องแม่ไม่สามารถอรับลูกได้ก็มาผสมที่นอกท้องแม่ก่อนผสมเสร็จแล้วก็ไปฝากไว้กับคนที่มีท้องที่รับลูกได้เห็นไหมมีละครไม่ใช่ที่เขาเรียกว่าฝากลูกกันเนี่ย นี่แก็แต่ต้องมีเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มาผสมกันเขาผสมในถ้วยทาไมนี่ไม่ต้องผสมในท้องก็ได้เอาเชื้อของพ่อมากับเชื้อของแม่มาแล้วก็มาหยดใส่ในถ้วยถ้วยนี้เขาก็ปรับบรรยากาศให้เหมือนกับอยู่ในท้องแม่ให้มีอุณหภูมิเหมือนกับตอนที่อยู่ในท้องแม่ ให้มีน้ำที่ทมีอยู่ในท้องแม่มาผสมกันมันก็เกาะติดมันก็เริ่มเก่อตัวขึ้นมาพอเริ่มติดปับ๊บดวงวิญญาณคือจิตที่ไม่มีร่างกายที่เสียร่างกายอันเก่าไปก็มาเกาะติดทันทีพอมีสามส่วนนี้ก็จะเกิดการปฏิสนธิขึ้นมา เะนั้นจะจะผสมที่ในท้องก็ได้ผสมที่นอกท้องก็ได้ถ้าตาบใดมีสามส่วนนี้มารวมกันส่วนของพ่อส่วนของแม่แล้วก็ส่วนของจิตความสามส่วนนี้มาผสมกันมาทําสังฆกรรมกันพูดภาษาพระมาประชุมกันอสังฆกรรมก็คือกิจกรรมของพระของสงฆ์ อันนี้ก็กิจกรรมของพ่อกับแม่กับของจิตเมื่อมารวมกันม า, มามามาประชุมกันก็เกิดการปฏิสนธิขึ้นมาเกิดการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เขาก็พอพอได้ตัวแล้วเขาก็เอาไปใส่ในท้องของแม่ ถ้าแม่จริงไม่สามารถที่จะเลีเ้ยงรับเด็กในท้องได้ก็เอาไปฝากท้องของคนอื่นไปจ้างคนอื่นเนี่ยผมเคยได้ยินข่าวว่าไปฝากท้องเขาแล้วให้เจ้าของท้องมันกลับไปรักไปหวงให้ร่างกายที่อยู่ในท้องมันทั้งทั้งที่ไม่ใช่เป็นลูกของเขาเ เพียงแต่เขาเอาเอาเด็กไปฝากไว้ในท้องเพื่อจะได้เจริญเ ต, ติบโตขึ้นมาแต่พอมันอยู่ในท้องตัวเองไปเลยเกิดความรักความผูกพันขึ้นมาเวลาคลอดบางทีไม่ยอมคืนเจ้าของเข้าไปบางทีหนีไปก็มีหลบหนีไปเอาค่าจ้างแล้วก็เอาเด็กด้วยเอาสองอย่างเอาค่าจ้างอุ้มท้องแล้วก็เอาเด็กไปด้วย เพราะมันมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนลูกของตอนเองเพราะอยู่ในท้องของตอนเองมาถึงเก้าเดือนพอเวลาข้อรามาก็เสียดายไม่อยากจะคืนเาไม่อยากจะคืนเจ้าของเขาไปนี่แหละคือร่างกายกับจิตใจมาเพราะมาเกิดมาเจอกันตอนที่ มีการผสมพันธุ์ของเชื้อของพ่อกับของแม่แล้วก็มีดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายคือจิตที่ไม่มีร่างกายที่เสียร่างกายอันเก่าไปก็มามาเกาะติดกับร่างกายอันใหม่เป็นแฝดสยามกันขึ้นมา แล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่บัดนั้นไปจนถึงวันตายของร่างกายร่างกายตายเมื่อไหร่จิตก็แยกออกจากร่างกายเมื่อนั้นถ้าร่างกายยังไม่ตายก็จะติดอยู่กับร่างกายไปเป็นแฝดสยามใจนี้จิตนี้เป็นพี่เป็นผู้สั่งให้น้องทําอะไรต่างๆ ร่างกายนี้เป็นน้องกายเป็นน้องใจเป็นนายใจพี่ใจเป็นพี่ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเนี่ยที่เรามาทำที่นี่กันได้ใครเป็นคนสั่งให้มาที่นี่ร่างกายมันสั่งตัวเองไม่ได้ร่างกายต้องรอรับคำสั่งจากใจใจจะสั่งด้วยความคิดวันนี้ไปวัดดีไหมเออดีไม่ได้ ทำบุญมานานแล้วหรือจะเป็นจะตายอะไรอยากจะทำบุญขึ้นม า, าสั่งให้ร่างกายมาวัดสั่งให้ร่างกายเตรียมของ เ, อเตรียมข้าวเตรียมของพอถึงเวลาก็สั่งให้ขึ้นรถมาขนของมาเป็นคำสั่งของใจทั้งนั้นเป็นของจิตทั้งนั้นไม่ใช่ของร่างกายเลยร่างกายนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งอะไรได้ เพราะไม่มีความรู้ไม่มีความคิดในร่างกายร่างกายเพียงแต่รอรับคำสั่งของเจ้านายเจ้านายบอกให้ลุกขึ้นก็ลุกขึ้นบอกให้ยืนก็ยืนบอกให้เดินก็เดินบอกให้นั่งก็นั่งบอกให้ทำอะไรต่างๆก็ทำมีบางอย่างที่สามารถที่จะสั่งเองได้เวลาท้องเสียนี้มันสั่งมันเองได้ อ๋อท้องเสือวว่าจะถ่ายแล้วเี่ยทีนี้เจ้านายจะจะสั่งไม่สั่งมันก็วิ่งไปห้องน้ำแล้วออันนี้เป็นธรรมชาติของร่างกายถึงเวลามันจะขับถ่ายมันจะไปเหรอมันจะถ่ายถ้าไม่ถ้าไม่สั่งให้มันเข้าห้องน้ํามันก็จะถ่ายตรงที่มันนั่นงอยู่ตรงนั้นนะถึงเวลามันจะถ่ายขึ้นมาไปห้ามมันไม่ได้เ มีร่างมีมีเรื่องเดียวที่ใจไปสั่งร่างกายไม่ได้คือสั่งไม่ให้ถ่ายไม่ได้สั่งไม่ให้สั่งไม่ให้เจ็บไม่ได้สั่งให้ไม่แก่ไม่ไม่ตายไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของร่างกายที่มันสั่งตัวมันเองร่างกายมันจะสั่งว่าเดี๋ยวต้องแก่แล้วเดี๋ยวต้องเจ็บเดี๋ยวต้องตาย แต่ไม่รู้นะว่ามันมันแก่มันเจ็บมันตายเป็นอย่างไรมันไม่รู้มันเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันไม่รู้หรอกว่ามันต้นใหญ่หรือต้นเล็กมันเป็นต้นไม้มันไม่มีความรับรู้ผู้ที่รับรู้ร่างกายคือจิตเนี่ยที่มาก่อติดกับร่างกายที่ไปรู้ว่าตอนนี้ร่างกายอเป็นเด็กนะเป็นผู้ใหญ่นะเป็นคนแก่นะร่างกาย หน้าตาดีนะนั่งตายหน้าตาไม่ดีนะอันนี้จิตเป็นผู้รู้แล้วจิตก็เป็นผู้แต่งร่างกายมันไม่ดีก็ไปแต่งให้มันดีสมัยนี้มีวิธีแต่งได้คิ้วไม่ดีก็ทำมาทาคิ้วได้ขนตามันไม่มีก็ติดได้มีของเทียมมาแต่งได้ ทำไยนี้คนเลยหน้าตาดีกันไปหมดนะไปไหนมีแต่คนหน้าตาดีๆว่ามีของแต่งหน้าตากันมีแป้งมีครีมมีอะไรต่างๆมาโปะสิวฝ้าเดี๋ยวนี้มองไม่เห็นเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีคนมีสิวฝ้ากันมีก็มองไม่เห็นเพราะว่ามันมีแป้งมีครีมมาเปะมาปิดไว้มองไม่เห็น คิ้วไม่สวยก็ทำให้มันสวยได้แต่งให้มันเงาะจะโค้งไปทางไหนก็ได้เขียนมันเลยก่อ <c oughs> นคิ้วเก่าออกแล้วก็เขียนมันใหม่จมูกก็ทาให้มันโด่งได้หนังย่นก็ทำให้มันตึงได้มีตีนกาก็ทำให้มันหายได้อันนี้ เรื่องของร่างกายที่ใจเป็นผู้แต่งร่างกายมันแต่งตัวมันเองไม่ได้ร่างกายแต่งให้มันดีขึ้นกว่าเก่าไม่ได้ต้องเป็นใจเนี่ยใจเป็นผู้ค้นคิดวิธีหมอเนี่ยพวกหมอนี่ก็ใจของพวกหมอนี่ไปเรียนค้นคิดวิธีดึงผิวดึงหน้าดึงอะไรต่างๆให้มันตึง คือผู้คิดผู้กระทาเหล่านี้คือจิตเนี่ยไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันไม่รู้อะไรแต่ปัญหาของจิตก็คือจิตไม่มีร่างกายไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายแล้วก็ติดมากับร่างกายตั้งแต่วันเกิดนะ พอคลอออกมาจากท้องแม่ลืมตาก็เห็นร่างกายอันนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นร่างกายอันนี้ไปแล้วก็รักร่างกายอันนี้หวงร่างกายอันนี้ทําไมถึงรักถึงหวงเพราะว่าต้องใช้ร่างกายนี้ไปหาความสุขนั่นเองอยากได้อะไรก็ต้องมีร่างกายพาไป อยากดูหนังฟังเพลงก็ต้องมีร่างกายพาไปไปดูไปฟังอยากจะมีความสุขจากการดื่มการรับประทานก็ต้องมีร่างกายถ้าร่างกายเป็นอะไรก็ไม่สามารถทำได้ถ้าไม่ทำตามที่อยากทำใจก็ไม่มีความสุขกลายเป็นใจที่ซส่มเศร้าทาใจ ว่าเวดูคนที่ร่างกายไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่มีความสุขคนที่พิการคนที่หูหนวกตาบอดคนที่เป็นอมตะอมภาสเนี่ยไม่มีความสุขใจไม่มีความสุขพอใจไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปทาอะไรต่างๆได้อันนี้ เป็นปัญหาที่ใจร่างกายเขาไม่เดือดร้อนร่างกายเขาหูหนวกตาบอดเขาไม่เดือดร้อนเขาเป็นเอา ม, มาเพื่อกรรมภานเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่รู้เขาไม่มีความรู้ในตัวเขาเองเขาเลยไม่เป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่ใจใจที่ไม่รู้ตัวไม่รู้จักตัวเองแล้วไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเอง ก็เลยเกิดความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยเพราะธรรมชาติของใจมันก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เขาเรียกว่าเาสียง่ายมีปัญหาอยู่เรื่อยอคือเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นเดี๋ยวก็เจ็บตรงนี้ เ, เดี๋ยวก็ถูกไอ้นั่นกัดไอ้นี่กัด เดี๋ยวก็โดในนั่นบาทอันุ่นแทงมีปัญหาอยู่เรื่อยๆแล้วผู้ที่เดือดร้อนก็คือใจร่างกายมันไม่เดือดร้อนมันไม่รู้ว่ามันมันถูกมีดแทงถูกมีดบาดมันไม่รู้มันไม่รู้ว่ามันถูกหมากัดถูกมูกัดมันไม่รู้มันไม่เดือดร้อนกัดก็กัดไปผู้ที่เดือดร้อนก็คือใจ เพราะว่ารู้ว่าถ้าร่างกายเป็นอะไรก็จะอาศัยมันไม่ได้จะใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขไม่ได้ก็เลยเดือดร้อนขึ้นมาทันทีพอมีดถูกมีดบาดหน่อยก็ตกใจถูกงูกัดก็ตกใจถูกหมากัดก็ตกใจเป็นอะไรร่างกายร่างกายไม่ตกใจใช่ไหมเพราะว่าตกใจ ถ้าเป็นถ้าเป็นร่างกายมันก็ต้องตกกายนะมันไม่ตกกายมันตกใจใจตกไงร่างกายไม่ตกร่างกายเฉยเฉยไม่ขึ้นไม่ลงมีใจนี่แหละที่ขึ้นหรือลงเวลาร่างกายดีก็ดีใจเห็นไหมใจดีดีใจไม่ใช่ร่างกายดีดีใจไม่ใช่ดีกายเวลาร่างกายไม่ดีใจก็ ตกขึ้ตกใจขึ้นมานี่แหละคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจอยู่ที่ไม่รู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่มีรูปร่างที่เป็นดวงวิญญาณมาเกาะติดกับร่างกายจะเรียกว่าใจนี่เป็นกายทิพย์ก็ได้ เวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่ากายทิพย์เเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าใจมันก็ยังเป็นกายทิพย์อยู่เราก็ไม่เคยมองเห็นใจไม่ว่าเวลาจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเราจะไม่มีวันเห็นใจได้เพราะใจมันเป็นมนุษย์น้องขนมันไม่มีอะไรที่จะให้เราเห็นได้อันนี้นี่คือธรรมชาติที่แปลกที่วิเศษ แต่กับไม่รู้จากความวิเศษของตัวเองพวกเราไม่รู้ความวิเศษของตัวเราเองพวกเราไม่รู้ว่าเราเป็นจิตเป็นใจเป็นกายทิพย์เป็นเป็นผู้ที่ไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายเป็นผู้ที่ไม่มีอะไรจะสามารถทำลายได้ต่อให้ใส่ระเบิดนิวเคลียร์ลงไปมันก็ไม่ตาย ที่ตายก็คือร่างกายเท่านั้นเองถ้าเกิดใครทิ้งระเบิดตรงนี้ตูมเลยร่างกายตายหมดเลยแต่ใจไม่ไม่ตายไปกับร่างกายพอร่างกายตายใจมันก็แยกออกจากร่างกายไปฝาแฟดก็แยกออกจากกันทิ้งให้ร่างกายกลายเป็นศพไปแต่จิตหรือใจก็เป็นกายที่เหมือนเดิม กายทิพย์ที่ไม่มีวันตายว่าไม่มีอะไรที่จะสามารถไปเข้าไปถึงกายทิพย์ได้เระเบิดนิวเคลียสก็ไปไม่ถึงกายทิพย์ไม่ว่าจะเป็นอะไรอจะเป็นสิ่งต่างๆที่มาทําลายล้างโลกนี้ก็ไม่สามารถทําลายจิตได้ทําลายกายทิพย์นี้ได้กายทิพย์นี้ไม่มีวันตาย แต่เนื่องจากกายทิพย์ไม่รู้จักความวิเศษของตัวเองไปคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยไปทุกข์ไปวุ่นวายกับร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเท่านั้นเองนี่คือปัญหาถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้า คือพระธรรมคําสอนหรือพระอริยสงสาวกพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนเนี่ยั่านจะบอกว่าพวกเรานี้ไม่ต้องไปกังวลกับอะไรไม่มีอะไรน่ากังวลไม่มีอะไรมาทําร้ายทําลายเราได้สิ่งที่เรามีเท่านั้นน่ะที่เขาทําร้ายทําลายได้เรามีร่างกายเขาทําร้ายทําลา ย, ลายร่างกายได้ เรามีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองเขาทําลายทํำลายได้เรามีครอบครัวเขาทําลายทําลายครอบครัวได้แต่เขาทําลายทําลายเราไม่ได้ที่เราทุกข์กันก็เพราะว่าเราไปหลงไปยึดไปติดกับของที่เรามีกันเพราะของที่เรามีให้ความสุขกับเรา เวลามีเขาแล้วเรามีความสุขเวลามีทรัพย์มีสมบัติมีข้าวของเงินทองมีความสุขมีครอบครัวมีคนที่เรารักเราชอบมีความสุขเราก็เลยไม่อยากจะสูญเสียของที่เรารักไปเพราะเวลาสูญเสียแล้วความสุขที่เรามีก็หายไปเราก็เลยมาทุกข์กับของที่เรามี ทุกเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาจากเราไปทุกเพราะว่าเราอยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นของเราไปนานๆแต่ของต่างๆมันไม่มีอะไรแน่นอนบางทีมันก็อยู่แป๊บเดียวก็ไปบางทีก็อยู่นานแต่ไม่ช้าก็เร็วเขาไม่ไปเราก็ไปพอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไปทิ้งทุกอย่างไปหมด ไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาทรัพย์สมบัติกองใหม่ต่อไปนี่คือเรื่องของเราเป็นอย่างนี้เราทุกข์กับของที่เรามีแต่เราก็ไม่เคยเข็บไม่เคยจําพอเราเสียของที่เรามีไปเสียร่างกายที่เรามีไปเสียด้วยความทุกข์ในเวลาเราเสียของพวกนี้เราทุกข์มาก เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมเดี๋ยวเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปหาสมบัติกองใหม่ไปหาครอบครัวอันใหม่มาทุกข์ใหม่นี่คือความโลภของเราความไม่ฉลาดของเราที่ไปหาความสุขที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวัน สิ้นสุดลงพอสิ้นสุดลงเราก็ทุกข์กันร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมเดี๋ยวเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปทุกข์กับร่างกายอันใหม่ไปทุกข์กับสมบัติกองใหม่ไปทุกข์กับครอบครัวอันใหม่นี่คือการดำเนินชีวิตของพวกเราเราดาเนินแบบนี้ เราเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆเปลี่ยนสมบัติเปลี่ยนครอบครัวไปเป็นนอบๆไปรอบนี้เรามีร่างกายเรามีสมบัติไหมมีมีครอบครัวไหมมีแล้วเดี๋ยวพอร่างกายนี้ตายไปเราก็เสียไปหมดเสียร่างกายเสียสมบัติเสียครอบครัวไปแล้วเราก็ไปตัวเปล่ า, ลาๆแล้วเราก็ไป เริ่มต้นใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็ไปหาครอบครัวอันใหม่แล้วก็ไปหาสมบัติกองใหม่ต่อเนี่ยเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะตัวที่ทำให้มันไปนี่คืออะไรก็คือความอยากเนี่ยอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ มีใครไม่ชอบรูปเสียงกลิ่นรถบ้างชอบทั้งนั้นอยากดูมะมอยากฟังไหมอยากล้มลิ้มรดไมดมกลิ่นไหมเนี่ยความอยากเหล่านี้มันทำให้เราต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมีร่างกายเพราะมีร่างกายทั้งนั้นที่มีตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของมนุษย์เลอ LIKE ของสัตว์เดราาัจฉานก็มีตาหูจมูกลึนกายเหมือนกันหมามันก็มีตาเหมือนกันมันก็มีจมูกมีหูเหมือนกัน <am> mm> มนุษย์กับร่างกายมันร่างกายของ ม, น, มนุษย์กับร่างกายของสัตว์เดราาัจฉานนี่เหมือนกันเป็นเครื่องมือหาความหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันต่างกันตรงที่ อันไหนมันยากมันง่ายกว่ากันอันไหนมีมีภัยมีพิษมากกว่ากันถ้าเป็นได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานมันก็พีมีภัยมากกว่าเพราะสัตว์นี้มันกินสัตว์กันเองเป็นอาหารเพอไม่ได้เดี๋ยวกลายเป็นอาหารของสัตว์ตัวใหญ่กว่าแต่มนุษย์นี่ไม่กินมนุษย์ก็อะไรดีหน่อยก็อะไร ปลอดภัยกว่าการเป็นสัตว์ในรายงล่าฉนแต่ก็ไม่แน่บางทีก็จะมนุษย์บ้าคลัง่งมันก็อาจจะอมากินตับกินไตเราบ้างก็ได้หรือมันไม่บ้าคลั่งร่างกายเรามันก็ไปบ้าคลั่งสมบัติของเรามันก็จะไปข้ามยไปป้อนสมบัติของเราแล้วถ้าเราไปจ้าเอ๋กับมันมันก็อาจจะฆ่าเราก็ได้ นี่คือภัยต่างๆความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการไปมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันถ้าต้องถ้ามีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องไปหาร่างกายพอร่างกายอันนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ถ้ายังไม่ตายถ้าตาเสียก็ไปเปลี่ยนตากัน ตาหูเสียบางทีเขาก็มีหูเทียมมามีเครื่องฟังเสียงเอามาติดไว้ที่หูให้ได้ยินเสียงดังก็พยายามแก้ไขากันไปเวลาที่ตาหูจมูกดิ้นกายเป็นอะไรไปแก้เพื่อที่จะได้ตอบสนองความอยากของใจใจอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายใจเลยต้องไปมีร่างกายอยู่เรื่อยๆ แล้วก็ต้องไปทุกข์กับร่างกายเพราะร่างกายเดี๋ยวมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวมันก็มีภัยอะไรต่างๆมาก่อกวนเดี๋ยวก็ถูกน้ำท่วมเดี๋ยวก็ถูกไฟไหมมีอุบัติเหตุมีอุบัติภัยมีโรคภัยต่างๆมีคนไม่หวังดีต่างๆ ที่จะมาจ้องทําร้ายทําลายอยู่ตลอดเวล า, าการมามีร่างกายมันเลยเป็นดาบสองคมมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่ส่วนใหญ่มันจะทุกข์มากกว่าสุขเราทุกข์กับร่างกายตั้งแต่เตงขึ้นมาเลยพอาเ่งขึ้นมาก็ต้องไปบรรเทาทุกข์ก่อนนะต้องเข้าห้องน้ําก่อนนะ ร่างกายบอกมันทุกข์แล้วปวดท้องแล้วพอบรรทุกเสร็จก็หิวเองแล้วก็ทุกข์เองแล้วหิวน้ํอยางนีหิวน้ํำหิวข้าวถ้าเกิดไม่มีน้ําให้กินไม่มีข้าวให้กินทําไงยิ่งทุกข์ใหญ่ะอก็แล้วก็มีเวลาบางเวลาอาจจะไม่มีข้าวกินก็ได้ไม่มีน้ํำดื่มก็ได้อ เวลานั้นก็ทุกข์มาทันทีนี่แหละคือดาบสองคมได้ความสุขจากร่างกายก็มีความทุกข์ติดมาด้วยมันเป็นดาบเล่มเดียวกันเนี่ยด้านหนึ่งเป็นสุขอีกด้านหนึ่งมันเป็นทุกข์มีร่างกายก็ดีจะได้หาความสุขจากรูปเสียงเก็บ น, นดัดอยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ไปดูไปฟังได้ อยากจะริมลดดมกลิ่นอะไรก็ทำได้พอได้ทำแล้วก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีภัยต่างๆมาคอยทำให้ทุกข์อยู่เรื่อยๆทำให้กังวลอยู่เรื่อยๆเราก็มีภัยรอบด้านบ้านช่องเราก็ต้องคอยดูว่ามีขโมยมีโจรเข้ามาหรือเปล่า ปิดมิจฉิตรไหมอะไรต่างๆออกข้างนอกก็ต้องระวังภัยต่างๆมีทั้งอุบัติภัยมีทั้งภัยจากคนไม่ดีมีภัยธรรมชาติมีอะไรต่างๆที่ทําให้เราต้องคอยทุกข์คอยกังวลกันอยู่เรื่อยๆนี่คือผลเสียของการที่มีร่างกายแต่เราไม่มีทางเลือก เพราะเราไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางอื่นนั่นเองเรารู้จักวิธีหาความสุขทางนี้ทางเดียวคือการมีใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกดลิ่นรสมาให้กับเราเราก็เลยต้องทุกข์กับการมีร่างกายทุกข์ตั้งแต่เกิดเลยทุกข์กับการเลี้ยงดูกันเลี้ยงเลี้ยงปากท้องแล้วก็ทุกข์กับการป้องกันภัยต่างๆ เด็กนี่ต้องฉีดยงฉีดยาวัคสงวัคซีนกันเต็มไปหมดการพิษกันเชื้อโรคต่างๆและบางทีก็ยังไปเจอเชื้อโรคที่ไม่มียากันได้อีกก็มีเด็กบางคนก็โชคร้ายบางทีอยู่ไม่ได้กี่วันก็ตายไปก็มีนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมีร่างกาย แล้วถ้าอยู่รอดมาเดี๋ยวก็ต้องไปทุกข์บ้านไปทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายถ้าเราไม่มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมาบอกเรา ว, าว่าวิธีนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีในการหาความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าเราได้พบวิธีใหม่วิธีที่หาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย มาความสุขแบบนี้ดีกว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นความสุขที่ใช้ความสามารถของใจควบคุมใจให้อยู่เฉยๆให้ได้ให้นิ่งให้สงบถ้าใจนิ่งใจสงบแล้วจะมีความสุขอีกแบบหนึง่งโผล่ขึ้นมา อันนี้เป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าใจสามารถควบคุมใจของตนเองให้นิ่งให้สงบได้ก็จะเกิดความสุขอีกแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรับประกันว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายไม่ว่าเราจะได้อะไรมาให้ความสุขกับเราเงินทองร้อยล้านพันล้าน ได้ยศได้ตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามได้รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกกี่ร้อยเหรียญก็ตามได้ไปเที่ยวรอบโลกกี่ร้อยครั้งก็ตามความสุขที่เราได้จากสิ่งอ่นนี้สู้ความสุขที่เราได้จากการทําใจของเราให้สงบไม่ได้เนี่ยเรามีของดีของวิเศษอยู่ในตัวเราแต่เราโง่กันไม่รู้ เาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างมีเกลือดีๆไม่เอาไปหาด่างกินข้างนอกมีของวิเศษอยู่ในใจไม่หากันไปหาของที่เป็นทุกข์กันไปหาทรัพย์สมบัติก็ทุกข์กับทรัพย์สมบัติไปหายศไปหาตำแหน่งก็ไปทุกข์กับยศกับตำแหน่งไปหารางวัลก็ทุกข์กับรางวัลต่างๆ เวลาได้ก็ดีใจเวลาไม่ได้ก็เสียใจไปทุกข์กับรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆเพราะรูปเสียงกดลิ่นรสมันมีทั้งสุขแล้วมีทั้งทุกข์ไปเจอเสียงไม่ดีก็ทุกข์พอไปเจอเสียงด่าเสียงกอลหานินทาก็ทุกข์ก็ไปหามันเองไปหาเสียงเพลงอยฟังแล้วเพลาะไปหาเสียงคนจัเสริโยกย่อง ฟังแล้วสบายใจเอแต่พอไปเจอเสียงหมาเห่าขึ้นมาเสียงคนด่าขึ้นมาทีนี้ก็กลายเป็นเสียงทุกข์ไปอ่นี่คือความทุกข์ที่เราได้จากการไปหาความสุขต่างๆในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกมาหาความสุขจากการทําใจให้สงบแล้วจะสบายเพราะจะไม่ต้องไปรับรู้กับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง จะมีหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อนไม่ไปรับรู้กับเรื่องยศเรื่องตําแหน่งจะมีหรือไม่มีก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปรับรู้กับเรื่องเสียงด่าเสียงชมใครจะด่าใครกระชมก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสที่มีทั้งสุขและทั้งทุกข์นี่แหละถ้าไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏในโลกนี้นะพวกเราก็จะต้อง ทุกไปกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจมันไม่ตายไพอร่างกายตายไปมันก็เปลี่ยนร่างกายได้มันก็ต่อไปเรื่อยๆร่างกายอันนี้ตายไปมันก็ไปรอหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่ก็มาทุกขกับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้ไปหาความสุข สุขที่เราได้กับทุกข์ที่เราได้นี่เหมือนกับเฟ้ากับดินวันหนึ่งเราสุขสักกี่ชั่วโมงถามจริงๆอแล้วเราทุกข์กี่ครั้งกี่หนกี่เนี่ยทุกข์มากกว่าสุขถ้าเรามานั่งจดบัญชีเลยวันนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นวันนี้ทุกข์กับเรื่องนี้วันนี้สุขกับเรื่องนั้นสุขกับเรื่องนี้ดูซิว่าอันไหนจะมากกว่ากันอันนี้แหละคือความโง่เขาของเรา ที่ไม่รู้จักความสุขอันดีอันวิเศษที่มีอยู่ในตัวเราไม่รู้จักวิธีทำให้มันเกิดขึ้นมามันรอที่จะเกิดตลอดเวลาแต่เราไม่ไปทำให้มันเกิดเรากลับไปปิดมันไว้ไปกั้นมันไว้สิ่งที่มากัน้นความสงบก็คืออะไรก็คือความอยากของเรานี่แหละไอ้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวกัน้นถ้าเราหยุดอยากได้เมื่อไหร่ไอ้ตัวความสงบมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันที แต่เราไม่เคยหยุดอยากเลยเคยหยุดอยากได้เงินไมไม่เคยเคยหยุดอยากได้ยศไหมได้ตำแหน่งไหไม่เคยเคยหยุดอยากให้คนเขารักเขาชมไหมไม่เคยเคยหยุดอยากเที่ยวไมอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นไหมไม่เคยหยุดเนี่ยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็เริ่มทำงานเลยมันจะหยุดก็ชั่วคราวตอนที่นอนหลับ แต่ตอนที่นอนหลับเราก็ไม่รู้แล้วมันก็ไม่ได้หยุดอย่างเต็มที่หยุดเพอให้เราได้หลับเท่านั้นเองแต่พอตื่นขึ้นมามันก็เริ่มทางานทันทีอยากนูน่นอยากนี่ขึ้นมาทันทีนี่แหละมันเลยเป็นตัวที่ปิดกัน้นความสุขอันวิเศษที่มีอยู่ในใจของพวกเราแล้วต้องอรอให้มีพระพุทธเจ้ามาบอกเราว่า เรามาหาความสุขด้วยการหยุดความอยากของเราดีกว่าถ้าเราหยุดความอยากของเราได้แล้วเราจะได้ความสุขอันยิ่งใหญ่วิธีที่จะหยุดความอยากของเรามีสองระดับด้วยกันระดับชั่วคราวกับระดับถาวรระดับชั่วคราวง่ายกว่าระดับถาวรแลวต้องผ่านระดับชั่วคราวก่อนถึงจะไปทำระดับถาวรได้ อย่าเบื้องต้นนี้เราจึงต้องมาหัดหยุดความอยากหยุดหยุดความอยากเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาให้ได้ก่อนด้วยด้วยแบบชั่วคราวแบบชั่วคราวก็เรียกเรียก ว, ว่าแบบสติหรือแบบสมาธินี่เราต้องใช้สติหยุดความอยากกันจะหยุดความอยากนี่ต้องไปหยุดที่ตรงไหนต้องไปหยุดที่ความคิดเพราะความคิดนี่มันเป็นหัวโจก มันตัวนำหน้าพอคิดแล้วมันถึงจะอยากตามเนะี่ยพอคิดถึงกาแฟนี่มันก็ถึงอยากดื่มพอคิดถึงไก่ย่างมันก็อยากกินนะห็นต้องอย่าไปคิดต้องหยุดคิดถึงรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆที่เราชอบคิดกันทั้งตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมานะคิดแล้วโอกาแฟร้อนๆสักถ้วยขนมปังกรอบๆสักแผ่นหนึ่ง มันคิดขึ้นมานะพอคิดทีน้ําน้ําลายก็ไหลเลยอยากดื่มกาแฟ ى, อยากกินก็กินพออยากแล้าใจไม่สบายแล้วสิถ้าไม่ได้ดื่มไม่ได้กินตามความอยากทนไม่ไหวต้องไปหามาดื่มหามากินแต่ถ้าพอดื่มตาขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าให้มันคิดถึงเรื่องอะไรความอยากดื่มกาแฟก็ไม่เกิด ความอยากกินหนมปังก็ไม่เกิดอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่เราต้องมาห้ามให้ได้คือห้ามความคิดโดยเฉพาะคิดความคิดที่คิดไปทางความอยากนั่นเองถ้าอยากจะคิดแบบไม่อยากก็พอตื่นขึ้นมาก็คิดถึงห้องน้ำํำ คิดถึงว่าของที่เราทายในช่วมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่อยากกินนะแต่ถ้าไปคิดถึงขนมขนมเนยออยู่ในจานมันก็อยากขึ้นมาแต่อันนี้มันยากอันนี้ระดับถาวรบังครั้งไปเราคิดในเรื่องที่เราไม่ชอบคิดนี่มันไม่ยอมคิดกันมันชอบคิดแต่ในเรื่องที่มันชอบคิดเมันชอบคิดถึงขนมที่อยู่ในจาน ชอบคิดถึงขนมที่อยู่อาหารที่อยู่ในจานแมคโดนัลอะไรพวกนี้พิซซ่านี่มันเห็นพอมันคิดมันจะคิดแต่ของที่มีอยู่ในจานอที่กําลังควันขึ้นโอ้เห็นแล้วก็น้ําลายไหลหมันไม่เคยคิดตอนที่มันบูดมันเน่ามันเสียตอนที่มันถูกขบเคี้ยวผสมกับน้ําน้ําลายในปากยนี่มันไม่คิดกัน ถึงขนาดอ ร, อร่อยขนาดไหนมันไม่ยอมมองหน้าตาของมันใช่ไหมอาหารที่เรากำลังเคี้ยวอย่างอร่อยอร่อยนี่ถ้าลองคลายออกมาดูหน้าตามันหน่อยนี้กลายเป็นไม่อยากกินขึ้นมากินไม่ลงขึ้นมานะแต่ถ้าอยู่ในปากเคี้ยกันนี้มองไม่เห็นไม่เป็นไรโอ้ยอ ร, อร่อยอร่อยเคี้ยวได้กืนได้เพราะเวลาเคี้ยวมันไปมองของในจานมันไปมองเห็นของในจานมันก็อร่อยอร่อย แต่ที่เคี้ยวมันอร่อยแต่มันไม่เห็นหน้าตาของมันถ้าเราลองเอาของที่เราเคี้ยวออกมาไว้ในจานดูแล้วลองเราอยากจะตักเข้าไปในปากไหมวะทั้งที่มันเพิ่งออกมาจากปากเราเนี่ยตาก็มาดูหน้ามันหน่อยแล้วก็เอากลับเข้าไปถ้าไม่บังคับจริงๆมันไม่ยอมเข้า น, นี่คือปัญหาของใจเราเราไปคิด ในเรื่องที่ทําให้อยากทําให้คิดให้หิวเนี่ยตอนเนี้กินข้าวอิ่มแล้วเนี่ร้องไปคิดถึงขนมนมเนยดีไม่ดีก็หิวขึ้นมาอะไร้ไอ้ที่หิวไม่ใช่ร่างกายนะไอ้ที่หิวมันคือใจนี่แหละคือความอยากนี่เอี่ ย, ยงเราต้องมาหยุดความอยากนี้ด้วยการหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้คุมความคิดไว้คอยให้มันคิดแต่พุโทโธพุโทโธ พอมันจะคิดถึงข น, นมนมเนยก็พุทโธพุทโธสู้กับมันไปเดี๋ยวถ้าเราไม่หยุดพุทโธข น, นมนมเนยมันจะหายไปจากใจแล้วความอยากกินข น, นมนมเนยก็จะหายไปแล้วมันก็จะว่างจะเบาจะเย็นจะสบายถึงแม้ไม่สงบเต็มที่ยังไม่สุขเต็มที่อย่างน้อยมันก็ไม่เดือดร้อนแล้ว ถ้าคิดถึงขนมนมเนยนี่เดือดร้อนน่ะอยู่เฉยๆไม่ได้เดี๋ยวต้องวิ่งไปหาขนมนมเนยมากินกันแต่พอเราไม่คิดได้เดี๋ยวเราไปนั่งเฉยๆแล้วหยุดคิดหยุดอยากได้อย่างเต็มที่ทีนี้มันจะสงบขึ้นมาทันทีสงบแบบมหัศจรรย์ใจพูดง่ายๆเป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจ เป็นความสุขที่ไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้ต่อให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งต่อให้ได้เป็นนายกเป็นประธานาธิบดีหรือเป็นนางงามจักรวาลก็สู้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ได้ไม่เชื่อลองไปทำดูถ้าถ้าทำแล้วจะทิ้งหมดเลยพระพุทธเจ้าทิ้งหมดเลยใช่พระพุทธเจ้าเคยเจอความสงบนี้ตอนที่เป็นเด็ก ท่านเคยชาติก่อนเคยฝึกสมาธิมาก่อนเหมือนติดอยู่ในใจพอวันไหนอยู่ว่างๆคนเดียวไม่มีใครมารบกวนจิตมันก็สงบเข้าไปโดยอัตโนมัติวันหนึ่งท่านบอกท่านนั่งอยู่ใต้โคนไม้แล้วพวกพวกลูกน้องพวกนางสนมกำนันบริษัทบริวารเขาไปทำงานอย่างอื่นมีธุระอย่างอื่น บอกให้ท่านนั่งอยู่ใต้โคนไมคน้คนเดียวพอไม่มีใครมาชวนคุยชวนคิดจิตมันก็เลยหยุดคิดพอหยุดคิดมันก็เลยนิ่งท่นบอกว่ามันก็เลยเกิดความสุขที่มหาสาจจใจขึ้นมาแต่ตอนนั้นเป็นเด็กก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพียงแต่รู้ว่ามันเป็นความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนแลวไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร มาดูตอนหลังตอนที่มาสนใจศึกษาเออันนี้แหละมันเป็นตัวที่ทําให้พระพุทธเจ้ามีความศรัทธาว่ายังมีความสุขอีกแบบหนึ่งที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้จากตําแหน่งยศต่างๆได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจึงทําให้พระองค์ก้าทิ้งสัตทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไป เพราะทรงเห็นภัยที่จะตามมาถ้ายังหาความสุขจากสมทรัพสมบัติากจากยศจากตำแหน่งเพราะต่อไปร่างกายมันก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นเองก็เลยยินดีที่จะสละทรัพ ส, สมบัติสละความสุขแบบนี้ไปเพื่อไปหาความสุขแบบที่เคยได้สัมผัสมาครั้งหนึ่งในชีวิตตอนที่เป็นเด็ก อันนี้แหละถ้าใครไม่เคยเห็นมาก่อนไม่กล้าทิ้งหรอกใช่ไหมมีมีนายกคนไหนยอมทิ้งเก้าอี้ไหมถ้าไม่ถูกบังคับให้ทิ้งถ้าไม่ใครมีตำแหน่งใหญ่หญหญ โ, ตโตนี่ถ้าไม่ถูกบังคับให้ให้ทิ้งไม่ยอมทิ้งหรอกเกาะติดเก้าอี้กว่ากาวช้างอีกกาวช้างมันแน่นขนาดไหนนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะถ้ามันไม่มีแล้วมันจะไม่มีความสุขนั่นเอง แต่คนที่เคยเห็นความสุขอีกแบบหนึ่งก็ไม่กลัวไม่มีความสุขแบบนี้มีความสุขที่ดีกว่ารอเราอยู่ไปหาความสุขแบบนี้ดีกว่าเป็นความสุขที่ไม่มีใครจะมาบังคับเราได้มาบังคับแย่งเอาจากเราไปได้ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้เป็นของเราร้อยเปอร์เซนตและเป็นของเราตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยไม่มีวันหมดเหมือนกับความสุขผ่านทางร่างกายความสุขทางร่างกายมันต้องหมดไปกับร่างกายแต่ความสุขทางจิตใจมันไม่มีวันหมดมันจะอยู่กับจิตใจไปตลอดถ้าเราสามารถควบคุมความคิดความอยากได้เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่สามารถควบคุมความคิดความอยากได้ตลอดเวลา ความอยากต่างๆอยากได้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองคุมได้ความอยากได้ความสุขจากตำแหน่งจากยศก็คุมได้ความสุขอยากได้คันนเสริญก็คุมได้ความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ควบคุมได้ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้พอมันไม่เกิดจิตก็เลยเย็นสบายสงบ เป็นความสุขอันมหาชตจันใจอยู่ตลอดเวลาที่เราเรียกว่านิบานังบรลมังสุขขังนี่เองนี่ยจิตที่ไม่มีความอยากท่านเรียกว่านิพานนิพานไม่ใช่สถานที่เหมือนเชียงใหม่เมืองชนกรุงเทพไม่ใช่จิตของเรานี่แหละจิตของเราที่สะอาดบริสุทธิ์เรียกว่านิพานคำว่าสะอาดจากอะไรก็สะอาดจากความอยากนีเท่านั้นเอง พอเราควบคุมความอยากหยุดความอยากได้จิตก็ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจจิตก็ไร้สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเอาไปซักเนี่ยพอเราไปซักคราบสกปรกที่ติดเสื้อผ้าก็หายไปหมดแต่เสื้อผ้าหายไปไหนหรือเปล่าไม่หายใช่ไหมเสื้อผ้าก็ยังอยู่สิ่งที่หายคือคราบสปกปรกคนที่ไม่ปฏิบัตินี้ กลับไปคิดว่านิพพานศูนย์พอพระพุทธเจ้าบอกนิพพานนี้เป็นความศูนย์ที่ยิ่งที่เป็นความศูนย์ที่สูงสุดคือศูนย์จากความโลภความอยากทั้งหลายนั่นเองไม่ได้ศูนย์หายไปไหนจิตไม่มีวันศูนย์หาย คนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังกลับไปกลัวนิพพานนึ่งกลัวไม่เอาเว้เดี๋ยวไปถึงนิพพานวกูจะสูญกูจะหายมึงไม่หายหรอกมึงยังอยู่ไอ้ที่หายก็คือไอ้ตัวที่มาก่อกวนใจต่างหากไอ้กวตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจคือความโลภความอยากต่างๆนี้มันจะหายไปหมดจากการที่เราใช้สติใช้ปัญญามากาจัดมันนั่นเอง พอมีสติมีปัญญาแล้วมันจะกำจัดความอยากได้หมดถ้ามีสติอย่างเดียวก็กำจัดได้ชั่วคราวเวลาสติเผลอมันก็กลับมาสติเป็นเหมือนยามเนี่ยเวลายามตื่นพวกโจรผู้ร้ายก็ไม่กล้าออกมาเพ่นพ่านใช่ไหมพอพอยามหลับปั๊บนี่โจรผู้ร้ายออกมาทันทีแต่ถ้าเป็นปัญญานี่ปัญญาจะ พอเจอโจรผู้ร้ายแล้วจะฆ่าเลยจะไม่ได้ไม่ได้ไล่ให้มันหลบไปเจอผู้ร้ายปั๊บฆ่าเลยเจอผู้ร้ายปั๊บฆ่าเลยถ้ามีปัญญาแล้วมันจะฆ่าผู้ร้ายหมดเลยฆ่าความอยากได้หมดเลยแต่สติไม่ฆ่าเพียงแต่ไล่มันไปไล่ให้มันหลบไปแต่พอพอสติเผลอมันก็โผล่ขึ้นมาแต่ตอนต้นต้องใช้สติก่อนเพราะมันง่ายกว่า แลมันจะทำให้เรามีกำลังที่จะมาใช้ปัญญาในการฆ่าความอยากต่างๆให้หมดไปได้ถ้าเรามีสองอย่างนี้มีสติมีปัญญาแล้วเราก็จะสามารถทำใจของเราให้เป็นนิพพานขึ้นมาได้คือเป็นใจที่ไม่มีโจรผู้ร้ายอยู่ในใจมีมีสติกับปัญญาคอยกำจัดโจรผู้ร้ายต่างๆ พอโจรผู้ร้ายไม่มีแล้วถนนบ้านเมืองก็ว่างจากภัยต่างๆนั้นเองคำว่าว่างก็คือว่างจากภัยถ้าเราไม่มีโจรผู้ร้ายเนี่ยจะไปไหนตอนนี้ค่ำคืนดึกเดินที่ไหนเมื่อไหร่ไปคนเดียวก็ไปได้ไม่มีใครมาทำร้ายเราไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไปที่ไหนได้ตลอดเวลาถ้าบ้านเมืองไม่มีผู้ร้ายไม่มีโจรผู้ร้าย แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนบ้านเมืองเรามันมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมดโดยเฉพาะยามวิการนี่มันเยอะตายกลางวันไม่ไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่เพราะคนออกมาเยอะแต่ยามวิการนี้ไม่ค่อยมีคนออกมามีคนน้อยมีคนโง่ที่ชอบออกมาแต่ยามวิกาณะพวกคนที่ออกมายามวิกาณ์นี้แสดงว่าเป็นคนโง่ไม่ฉลาดไม่รู้ว่ามันไม่ปลอดภัยแต่อยากออกมาเที่ยวกัน ออกมาเที่ยวก็เลยกลายเป็นเหยื่อเขาไปเหยื่อของโจรผู้ร้ายนี่คือใจตอนนี้ใจของพวกเรามีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมดเลยมีความโลภความอยากอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้ยศได้ตาแหน่งอยากได้รางวัลอยากได้สรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นนสดมาเสพมันก็เลยทำให้ใจเราวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาความสุขที่ได้ก็แบบแป๊บเดียว แต่ความวุ่นวายนี้มันอยู่นานกว่าอยู่ก่อนที่ได้ความสุขแล้วความสุขหายไปความวุ่นวายก็กลับมาทันทีเนี่ยนี่ไม่ใช่วิธีหาความสุขวิธีหาความสุขก็คือต้องทําใจเราให้ปลอดจากภัยต่างๆปลอดจากความอยากต่างๆเราต้องมาฝึกสติกันมาเจริญสติมาหัดพุทธโธกันถ้ามีพุทธโธ แล้วต่อไปก็มาใช้ปัญญาสอนว่าความอยากนี้ต้องทําลายมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องทําลายถ้าไม่ทําลายมันมันจะพาเราไปหาความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปได้กินกาแฟาก็แป๊บเดียวสุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดอยากขึ้นมาใหม่ถ้าไม่มีให้กินก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีต่อไปเราก็จะสามารถ กำจัดภัยต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอไม่มีภัยใจว่างจากภัยก็เรียกว่านิพานนิบานังประมังสูญยังใจปัสะจากปัสะจาภัยต่างๆว่างจากภัยต่างๆสูญจากภัยต่างๆเรียกว่านิพานใจที่ว่างจากภัยต่างๆก็เป็นใจที่มีแต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สูงสุด นิพพานังปรมังสุขขังยันอยากกลัวคำว่านิพพานนิพพานนี้ไม่ได้ทำร้ายใครนอกจากทำาลายทำร้ายภัยที่มีอยู่ในใจเราท่านเองถ้าเป็นยาก็ทำร้ายเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายคนกินยานี่ไม่ได้ร่างกายไม่ได้ตายไปกับยาตัวที่ตายคือเชื้อโรคยันในคนที่ปฏิบัติธรรมใจก็ไม่ได้ตายไป ตัวที่ตายก็คือกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างภายัยมาสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจนนี่แหละคือเรื่องของใจกับของน่่งกายที่พระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกพวกเราให้เลิกหาเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันแล้วมาหาความสุขด้วยการใช้สติใช้ปัญญากันจะดีกว่าแล้วเราจะปลอดภยัย ต่อไปจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่กับเราอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวจะไม่มีการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอย่างที่เป็นกันอยู่ในขณะนี้อีกต่อไปอแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวาหะปุราปาริปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปฏิอิช an ิตังปฏิตังต um ุมหังคิปเมวาสมมิชัตโสัพเปปุเรนตตสังกปาจันโทปนะหราโสยาถามณีโชติ so ภราสุยทัสสพิธิโยวิวาทััตว์สัพพโรโควินัศสัตว มาเตผวตวันตราโยสุขีทีคาโยโกผวะอภิวาทนศีฤทสานิจังวุฒาปัจจายโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยแปด359วสามร้อยห้าสิบเก้าิทยุออนไลน์สิบแปดรับฟังข้างบนนี้ห้าสิบเอ็ดคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสามสิบหกครับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ ไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้คำถามจากคุณพิชัยเวลาผมนั่งสมาธิดูลมหายใจได้สักพักลมหายใจเริ่มหายมักจะเกิดอาการคันคอมากครับผมควรทาอย่างไรต่อไปถึงจะผ่านไปได้ครับถ้าดูลมไม่ได้คันคอก็ลองใช้คำบริกรรมไปดูพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป อย่าไปสนใจกับอาการคันคอคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามเมื่อวานนี้ลูกขับรถกลับบ้านมีงูเลื้อยผ่านตัดหน้ารถเบรคไม่ทันเลยทับงูครับแต่ไม่ได้จอดรถดูคิดว่าตายแล้วแบบนี้เราจะบาปไหมครับถ้าเราไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้เขาตายก็ไม่บาป คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูรู้จักกับคนคนหนึ่งใน a ฟ e b o o k เขาขู่ว่าจะฆ่าตัวตายถ้าหนูไม่ไปหาเขาเขากรีดมือตัวเองแต่มีคนบอกหนูว่าระวังจะโดนหลอกเขาว่าหนูหลงในคำพูดของคนคนนั้นหนูควรจะทำอย่างไรดีเจ้าคะสับสนค่ะเขาก็เข า, เ, ขาเราก็เรามันก็มีแค่นั้นเน่ยไปสับสนตรงไหน เขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราจะทำอะไรก็เรื่องของเราไม่เกี่ยวข้องกันหนือยอย่าไปสนใจเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะฆ่าตัวเขาก็เรื่องของเขาเราไม่ได้เป็นคนไปสั่งให้เขาฆ่าเราไม่ได้ฆ่าเขาเราไม่บาปเราก็อยู่ของเราไปเฉยๆคำถามต่อไปจากคุณสมเกียรต ในขณะที่จิตเข้าไปยึดครองร่างที่อยู่ในท้องมันดาใครเป็นผู้กำหนดครับว่าท้องนี้ดวงเจ็ดจิตนี้เข้าไปยึดครองและถ้าคนที่ทำบาปมามากต้องไปเกิดในอาบายดวงจิตนี้จะเข้ายึดครองร่างในท้องได้ไหมครับก็ต้องให้พ้นบาปก่อนไงต้องพ้นบุญพ้นบาปกลับมาอยู่ในสภาพแบบเป็นกลางก่อนจิตที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ ต, ต้องบุญกับบาปที่อยู่ในจิตต้องมีประมาณเท่าๆกันคือบุญก็ไม่สามารถดึงจิตไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงจิตไปอบายได้จิตก็อยู่ตรงพบของมนุษย์ก็เพียงแต่รอให้มีร่างกายก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาฉะนั้นไม่ว่าใครจะทําบาปมากน้อยก็ตามทําบุญมากน้อยก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ เพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าถ้ามาจากการกระทำบาปเกิดมามักจะอาภัพวาสนาเกิดมาเป็นคนยากจนคนโง้อคนพิการบ้างอาการไม่ครบสามสิบสองคนไม่ดีเพราะจมีติดนิสัยทำบาปติดมาด้วย ในทางตรงกันข้ามพวกที่ลงจากสวรรค์มาก็จะเป็นคนดีคนมีวาสนามีผิวพรรณผ่องใสมีหน้าตาสวยงามมีตำแหน่งมียศมีเงินมีทองมีสุขภาพแข็งแรงมีอาการครบสามสิบสองอายุยืนยาวนานโรคภัยไม่เบียดเบียนมีสติมีปัญญาเนี่ยจะต่างกันตรงนั้นมนุษย์เราจะมีหลายอย่าง บางทีก็โง่บางทีก็ชั่วบางทีก็ฉลาดบางทีก็ดีเพราะว่ามาจากคนละที่กันพวกที่มาจากที่สูงก็จะมามาดีพวกที่มาจากที่ต่งก็มักจะมาร้ายคําถามต่อไปจากคุณอดิตไม่สําคัญพอออกจากอปปนาสมาธิกิเลสต่างๆถูกอํานาจของสมาธิทับไว้ไม่แสดงขึ้นมา ใจมีแต่ความอิ่มไม่ค่อยอยากพูดกับใครครับอยากหาแต่ที่สงบอยู่แต่ทําไมผู้ที่สําเร็จฌานสมาบัติอย่างฤาษีในสมัยก่อนถึงแข่งกันแสดงฤทธิ์ต่างๆฌานสมาบัติกับอัปปนาสมาธิให้ผลกับใจต่างกันอย่างไรครับคื อ, อสมาธินี่เป็นสองแบบไงแบบที่มีอภิญญากับมแบบที่ไม่มีอภิญญา ถ้าเป็นอัปปนาสมาธินี้ก็จะไม่มีอภิน ญ, ญาแต่ถ้าได้อัปปนาแล้วออกไปทางอุปจาระสมาธิก็จะมีอภิน ญ, ญาตามมาเห็นคนที่มีอภิญญาเขาก็แสดงอภิญญาได้นั ล, ลึกชาติได้อ่านวาลัจิตของผู้อื่นได้อะไรทํานองนี้พวกที่ได้อัปปนาไม่ออกไปทางอุปจาระก็จะไม่ได้อภิน ญ, ญา แต่ได้อปปนาดีกว่าได้อุปจาระเพราะอปปนาได้อุเบคาถ้าเอาจากอปปนาไปไปอุปจาระจะเสียอุเบคาไปแต่จะได้อภิญญาแทนถ้าต้องการไปทางวิปัสสนาก็ต้องมีอุเบขาถึงจะไปได้ถ้ามีอภิน ญ, ญาไปไม่ได้อภิญญาไม่มีอุเบขา ที่จะเป็นกำลังในการต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆเฉะนั้นพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านถึงสอนว่าอย่าไปทางอุปจาระให้อยู่ในทางของอัปปนาเพื่อจะได้มีอุเบคาจิตออกมาแล้วอิม่มมีกำลังที่จะต้านความอยากต่างๆได้พอใช้ปัญญาพิจารณาโทษของความอยากมันก็จะ ตัดความอยากได้ทันทีแต่ถ้าไปทางอุปจาระพอออกมาแล้วไม่มีความอิ่มเอิบใจพอเกิดความอยากขึ้นมาก็สู้ไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณพัฒนันลักษณะของผู้รู้เป็นอย่างไรครับเหมือนเราคุยกับความคิดของเราหรือเปล่าครับไม่คุยคุยก็ความคิดคุยกับความคิดเนี่ย ความคิดอันเดียวกันเนะ่ะคิดเป็นเราคิดเป็นเขาอันมันก็เป็นความคิดคุยกับความคิดจะรู้ตัวรู้ก็ต้องหยุดความคิดทท้งนั้นเราะฉนั้นพูดยังไงก็ไม่มีวันที่จะเจอตัวรู้ได้จะเจอตัวรู้ต้องหยุดคิดหยุดพูดนต้องไปพุโทโธพุโทโธไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกพอหยุดความคิดได้ตัวรู้ก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนอยากจะเห็นจอทีวีอย่างนี้ ก็ต้องปิดเครื่องก่อนถ้าไม่ปิดเครื่องจะไม่เห็นจอแต่เห็นภาพบนจอถ้าอยากจะเห็นจอไม่มีแบบไม่มีภาพก็ต้องปิดภาพก่อนปิดเครื่องก่อนพอไม่มีภาพแล้วทีนี้ก็จะได้รู้ว่านี่จอเป็นจอแบบไหนสีไหนแต่ถ้ามีภาพมันก็จะเป็นภาพของของเป็นสีของภาพปรากฏขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันตัวรู้จะอยู่ข้างหลังตัวคิด ถ้าอยากจะเห็นตัวรู้ต้องหยุดตัวคิดค่ะคำถามต่อไปจากคุณหญิงควรแบ่งเวลาปฏิบัติอย่างไรให้ได้ผลสมมุติว่าถ้ามีเวลาสี่ชั่วโมงในหนึ่งวันเราควรจะนั่งหนึ่งชั่วโมงเดินหนึ่งชั่วโมงสลับกันไปเรื่อยๆหรือควรจะปฏิบัติในอริยบทเดียวเป็นเวลานา น, านๆเช่นนั่งสองชั่วโมงครับก็แล้วแต่เราจะ พอใจถ้านั่งไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็นั่งก็เท่านั้นแหละมันอยู่ตรงที่กําลังของสติถ้ามีสติมากมันก็นั่งได้นานถ้ามีสติน้อยก็ดั้งในน้อยก็ลุกขึ้นมาเดินเพื่อมาเติมสติก่อนเวลาเดินนี้เราจะเติมสติ เดินก็คอยควบคุมใจอย่าให้คิดให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธไปได้อยู่กับการเท้าก้าวเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วพอคิดว่าเราเดินจนเมื่อยเดินจนไม่ไหวแล้วก็ค่อยมานั่งต่อคือทำทั้งทีก็ทำแบบสุดๆนะถ้านั่งก็สุดๆเดินก็สุดๆนั่งก็นั่งจนกว่าจะทนไม่ไหวเดินก็เดินไปจนกว่าจะทนไม่ไหว อย่าเดินแป๊บหนึง่งว่าพอละมานั่งนั่งแป๊บหนึ่งก็พอแต่อย่างนี้มันจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่มันต้องไปแบบสุดๆต้องผ่านเวทนาให้ได้เจอเวทนาก็ไม่ยอมแพ้มันเดินต่อนั่งต่อไปให้มันผ่านเวทนาไปถึงจะได้ผลดีคำถามต่อไปจากคุณพรณี เพราะเหตุใดจึงไม่ชอบนั่งสมาธิชอบเดินจงกรมมากกว่าแต่ก็ทำไม่บ่อยชอบควบคุมสติในระหว่างการทำงานจำเป็นหรือไม่ครับที่ต้องนั่งสมาธิอ๋อถ้าไม่นั่งสมาธิก็ไม่ได้สมาธินีสิเดินจงกรมก็ได้สติแต่ถ้าอยากได้สมาธิได้อัปปนาได้ความสุขจากความสงบก็ต้องนั่งคำถามต่อไปจากคุณสุบิน ลูกทำบุญมามากมายจนจำไม่ได้แล้วถ้าหากวันใดที่เกิดอาการเจ็บป่วยมีทุกขเวทนามากจิตสุดท้ายไม่มีโอกาสนึกถึงบุญที่ทำแล้วจิตสุดท้ายจะไปดีไหมครับแล้วบุญนั้นจะให้ผลไหมครับ อ, อ๋มันไม่ต้องนึกหรอกบุญถึงเวลามันอัตโนมัตมันจะมาทำหน้าที่ของมันอย่างไม่ต้องไปกังวลทาไปเยอะๆไว้ทำไปเรื่อยๆ เดี๋ยวถึงเวลาบุญมันจะมาเองไม่ต้องไปนึกถึงมันถ้าไม่ทำนึกยังไงมันก็ไม่มาฉันไม่ต้องไปกังวลเรื่องนึกบุญกับบาปที่ทำไว้มันมาเองถึงเวลาของมันคำถามต่อไปจากคุณวสัน์ผู้ปฏิบัติที่ละขันธ์ห้าได้แล้วคือพระอริยะขั้นใดขึ้นไปครับ พระปัสาวมันนะขันห้าได้ไม่ถือว่าร่างกายเป็นตัวเราถือว่าร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราเป็นใจเป็นเจ้านายของร่างกายร่างกายเป็นอะไรจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนกับมันคำถามต่อไปจากคุณโอกาว่าคำว่ายานกับฌานแตกต่างกันอย่างไรครับ ยานแปลว่าความรู้ฌานแปลว่าความสงบเข้าฌานเนี่ยฌานหนึ่งฌานสองเนี่ยเข้าสมาธิระดับต่างๆเรียกว่าฌานยานก็คือการอย่างรู้อย่างรู้ความจริงด้วยจิตไม่ได้อย่างรู้ด้วยความคิดรู้ด้วยจิตว่าอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้เป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา อย่างรู้อริยสัจสี่รือว่าทุกขนี่อยู่ในใจของเราเกิดจากความอยากของเราดับทุกได้ด้วยสติปัญญาของเราอันนี้เรียกว่ายานอย่างทราบเป็นความรู้ฌานเป็นความสงบหมนแล้วเหรอนะนี่คือเรื่องต่างๆที่เราต้องพยายามศึกษาไปแต่ยศึกษามากจนเกินไป ศึกษามากเดี๋ยวก็ลืมศึกษาเฉพาะส่วนที่เราต้องใช้ในการปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวค่อยๆไปเพิ่มการศึกษาเพิ่มไปเหมือนการเรียนหนังสือปีได้เราก็เรียนกอไก่ขอไข่ไปก่อนแล้วเราก็ไปทาการบ้านไปหัดท่องกอไก่ขอไข่พอเราจำได้แล้วเราก็ไปเรียนขั้นต่อไปเรียนการผสมสระอา ส ล, สละอาสละอาชละอิไปค่อยๆทาเป็นขั้นไปศึกษาเป็นขั้นปฏิบัติเป็นขั้นไปดีกว่าอย่าศึกษาจบธรรมปไต่ไปดกแล้วค่อยมาเริ่มปฏิบัตินะมันความรู้เหล่านั้นมันก็จะมาเป็นหนักหนักขัวเป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดนะงั้นเรียนรู้เฉพาะที่เราต้องรู้ก็พอเราต้องรู้สติก็ไปฝึกสติก่อนสติคืออะไรคือการควบคุมใจไม่ให้คิด เช่นใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธมันก็คิดไม่ได้หัดไปทําอย่างนี้ให้ได้ก่อนพอทําได้แล้วจิตสงบก็จะรู้ว่านี่คือฌานฌานที่หนึ่งฌานที่สองแล้วพอเราได้ฌานแล้วออกจากฌานมาเราก็หัดมาใช้ปัญญาดูมาศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยง มันสุขหรือมันทุกข์กันนะมันเป็นเราหรือเป็นของเราหรื อ, รอเปล่าใช้วิเคราะห์ดูไปก่อนใช้วิเคราะห์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นญาณขึ้นมารู้ขึ้นมาในใจว่าอ๋อมันไม่มีอะไรทุกข์เลยไม่มีอะไรสุขเลยในโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันไม่เที่ยงทั้งนั้นเพราะมันไม่ใช่เป็นของเรานะอันนี้ก็จะกลายเป็นญาณขึ้นมานะแต่ถ้าไปรู้ชื่อมันมนก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากนะ ให้รู้จักตัวมันดีกว่าด้วยการปฏิบัติแต่ก็ต้องเรียนก่อนเรียนพอสมควรเรียนเฉพาะในส่วนที่เราต้องรู้เท่านั้นก็พอส่วนที่ยังไม่ถึงเวลาที่จำต้องไปรู้ไม่ต้องไปรู้เช่นเด็กป .1 นนไม่ต้องไปรู้วิธีบวกลบคูณหารนะมันไกลเกินไปไปเรียนก็จาไม่ได้อยู่ดีเพราะยังไม่มีกำลังที่จะไปใช้มันได้ยิ่งไปเรียน ไปเรียนคณิตศาสาร์ไปเรียนวิทยาศาสตร์ไปเรียนฟิสิกส์ตอนที่อยู่ป .1 มันเรียนไม่ได้หรอกไม่ต้องไปเรียนเหมือนเรียนในขั้นของเราไปเราอยู่ขั้นทำทานรู้จักการทำทานแล้วก็ไปทำให้ได้ก่อนเรียนอยู่ขั้นศีลรักษาศีลให้ได้ก่อนอยู่ในขั้นสติฝึกสติให้ได้ก่อนค่อยไล่ไปตามขั้นตามตอนของมัน คำถามต่อไปจากคุณดับเบิลจีขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความคำว่าศีลพัตตระปรามาตครับครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันเป็นการรูปคำศีลคือสงสัยว่าศีล น, นี้มีประโยชน์จริงหรือไม่ดับปิดประตูอบายได้หรือไม่พูดง่ายๆพระโสดาบันนี้ท่านจะเห็น จิตที่ทำบาปนี้จะต้องไปเกิดในอบายท่านก็เลยไม่ลูกคำในศีลถ้าท่านไม่อยากจะไปอบายท่านก็จะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตนี่คือคำถามต่อไปจากคุณฟ้าใสการสวดมนต์ตอนเย็นที่บ้านกับการไปทำวัดเย็นที่วัดในวันพระต่างกันอย่างไรคะก็ต่างกับที่สถานที่นั่นเอง การสวดมันก็เหมือนกันเห็นสถานที่มันอาจจะเอือ้อหรืออาจจะมาะขัดขวางการสวดก็ได้อยู่บ้านสวดไปเดี๋ยวเด็กร้องเดี๋ยวคนนั้นทะเลาะกันตีกันด่ากันมันก็ยากต่อการสวดแต่ถ้าอยู่วัดไม่มีใครเขาไปตีกันไปทะเลาะกันในวัดมันก็ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนในการสวด การไปสวดในที่ที่มันดีมันก็จะได้ผลมากกว่าเป็นสวดในที่ที่มันไม่เอื้อต่อการสวดหมดแล้วเลยโอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ